นั่นแหละโอกาสจะเป็นมนุษย์กับเขาได้สักครั้งหนึ่งเราก็มอง อ, อ้าทาไมประชากรมันจะลนโลกอะ่ะออใช่ไหมใช่ถามบอกว่าในแสนโกดจักรวาลเนี่ยมีสัตว์อยู่หมดท่านทั้งหลายลองไปขุดจอมบวกดูสักจอมบวกเราจะเห็นหมดเต็มไปหมดเราไปเปิดโถส้วมเดี๋ยวนี้เราจะเห็นนอนเต็มไปหมดนั่นคืออะไร ถ้าเราบอกว่าเราเคยเกิดเป็นหนอนเคยเกิดเป็นมดมาแล้วเนี่ยเราจะเชื่อไหมเนี่ยเชื่อไหมเอาถ้าไม่เชื่อกับคานพุทธพจน์นะเอาสิใช่ไหมเพราะพระพเจ้าตรัสบอกว่ามีเนี่ยภิกษุเนี่ยยินดีพอใจในจีวรไปเกิดเป็นเลนเนี่ยวิ่งผ่านอยู่ในจีวรเอาสินั้นท่านทั้งหลายไม่ใช่เรื่องอย่างที่คิดนั้นจิตที่น้อมไปในความเห็นผิดมันเยอะฉะนั้นที่บอกว่าประชากรมนุษย์เนี่ยเยอะนีะ่ยน้อย เอาประชากรทั้งโลกห้าหกพันล้านเนี่นะเทียบไม่ได้กับมดนี่้กจอมปวกเล็กๆน้อยมากไม่ใช่เยอะถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ถึงบอกว่าการได้อัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องยากการอุบัติเกิดขึ้นกังพระบรมศาสดาก็ยากการแสดงธรรมของพระองค์ก็ยากเราท่านทั้งหลายจักเป็นสมาธิที่มาฟังธรรมก็ยาก ฟังทำแล้วจะเกิดความเข้าใจก็ยากเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะรักษาศีล ใ, ให้เป็นก็ยากการรักษาศีล ใ, ให้เป็นแล้วจะเดินศีลเป็นปจัจจัยกาสมาธิก็ยากการจะทําสมาธิให้เกิดขึ้นยากอยู่แล้วเอาเจ้าสมาธิเป็นบรรทัศฐานของปัญญาก็ยากสรุปแล้วการจะทําสิกขาสามาธิเดินไปในกระแสขันท่าอายตนะเป็นเรื่องยากอันนี้ให้เดินได้ก่อนนะแล้วค่จะบรรลุก็ายากเอาสิ มันจะยากตามลําดับอย่างเงี้ยจะมีศรัทธาในการฟังธรรมจะยากไหมเอาลองลองจัดให้มีการฟังธรรมทุกวันเนี่ยจะเหลือเท่านี้ไหมเหลือไหมอ่ะมาไม่มาหนึ่งแล้วถ้าทุกวันเราไม่ไหวถ้าทุกวันไม่ไหวใช่ไหมใครกล้าไหมฟังธรรมทุกวันเนี่ยเชา้าจนเย็ น, นยไม่ต้องทุกวันหรอกอาทิตย์ละครั้งก็แทบจะไม่ไหวอยู่แล้ว บางคนอดมาอบได้ยินเ้าวางตารางเอาไว้ทุกอาทิตย์ไปแสดงธรรมเดือนมีนาเนี่ยเขาบอกโอ้โหก็ว่าแทบไม่มีเวลาหายใจใหายคอเลยก็ว่าถ้าเจ็ดวันฟังธรรมมาครั้งเนี่ยใจจะขาดประหลาดแท้เออจะแสดงให้เห็นชัดคืออะไรรู้ไหมโยมการฟังธรรมแต่ละทีเนี่ยเราต้องใช้พลังเต็มที่เลยใชย่ประเภทที่โอ้โหเคลียร์แล้วเคลียร์อีก ขอร้องก็เนี่ยมุงทีต้องบอกลูกอย่าโกรธแม่นะแม่ไปฟังทำแค่แป๊บเดียวเลยเดี๋ยวมาเก่งใจตัญหามากนะมนุษย์ทุกวันเนี่ยนะต้องขอร้องบางทีเนะยมาฟังทำยังต้องเปิดโทรศัพท์ไว้ทังทีจะบอกว่ารอให้ตัญหาโทรมาพอโทรมาก็รับบอกนี่กําลังฟังทำอยู่เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็กลับแล้วเห็นพระทําท่าจะจบแล้วเดี๋ยวไม่จบเดี๋ยวแม่ก็หนีกลับ ยิ่งก็อยู่อย่างเงี้ยถามว่าถ้าถามว่ามาฟังทำมาบอกอยากค้นทุกข์แล้วบอกอปริมาณของความต้องการในการจะพ้นทุกข์กับปริมาณของการสร้างเหตุไม่เท่ากันเลยใช่ไหมไม่เท่ากันเลยน่าจะไปกันยังไงอ่ะน่าจะไปยังไงมีพระท่านบอกอาตมาท่านบอกว่าท่านก็พายมไปไหว้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พอทำท่าจว่าเบสเซ็ตก็มีคณะหนึ่งไปโหเต็มหมดเลยไปถึงเบสเซ็ตก็บอกว่าอขอให้มีสติปัญญาดีขอให้ร่ําขอให้รวยโยมก็ว่ากันตามใหญ่เลยนะเพรางนงั้นนะขอให้ถูกลังวันที่หนึ่งไล่ไปหมดเลยโบโบโบท่านก็มานั่งคิดถ้าสมมุติท่านบอกท่านอาจารย์ถ้าสมมุติพระบรมศาษษสดาท่านนั่งประทับอยู่แล้วเห็นสาวโของท่านมาประกาศอย่างนี้ท่านจะคิดยังไง ถ้าจะคิดยังไงถ้าพระศาสดาทรงมีพระชนอยู่เนอะเลือนนั่งอยู่ท่านจะท่านจะคิดยังไงบอกโอ้โ oh หมันเลื่อนเพื่อนขนาดนี้สมมติไหมท่านจะคิดอนาถขนาดไหนะแล้วตอนนี้ถ้าเรามามองดูนะว่าพระธรรมคําสอนของพระศาสดากล่าว อ, อ, อย่างนี้ไหมท่านเหล่านั้นก็ไปกันอีกอย่างไปคนละทิศละทางเลยแต่เนี้ย้จะว่ากันยังไงพราะเขาขอเกี่ยวกับบางคนก็ไม่มีลูกขอลูก บระลาดทนี่เป็นอย่างเงี้ยบางทีบางท่านหนักไปกว่านั้นอีกพอไปถึงเบสเสร็จไม่รู้อะไรมาลงอดามาก็ไปสวดตอนนั้นเนี่ยขานมาก็ไปสาทยายตรงสถานที่แสดงธรรมจักรกับปวัตนาสูตรแม่มาก็สาทยายอย่งางภาษาเอวเมสุตังเี็กเนี่ยก็สาทยายไปพอสาทยายไปได้สักครึ่งอะ่ะ เพราว่าสัมมาทิสสัมมาสังกัปโปะไล่ไปตามนะไล่ไปตามลําดับสักพักหนึ่งมีคนมายืนมานั่งกรรมฐานสักพักน่ะเข้าน่ะเข้าชักกันเป็นแถวเลยดดยิบยิบยยไปเหมือนผีเข้าไม่รู้คณะไหนไ ม, มาเต้นกันใหญ่ดอดกันยกยงยงยงดอดกันเป็นแถวเลยแม่มาก็มองอเอาละสิตอนนี้ เราจะหยุดสวดก็ไม่ได้เราเราสวดเราต้องการเราอัฏถาแลราพยั ญ, ญชนะเราต้องการจะเข้าถึงคําสอนตรงนั้นแต่ก็มีคนมาดิ้นอยู่ข้างหน้าเป็นแถวหมดไม่ยอมยกหังไงมาเลยไม่กล้าสวดเลยวันนี้มั น, น, นมีเห็นยอมอราฐานาสให้อารมาอธิบายธรรมจักอารมา ก, ก็สงสัยไม่กล้าสวดอีกแล้ว ถ้ามาสวดไปแล้วมีคนชักกันตรงนี้เต็มไปหมดเราทำไงใช่ไหมนั่นก็ตอดูแปลกมากตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ความเข้าใจในพระธรรมค่อนข้างจะไปคุลธิตะทางกันเลยเนี่ยตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายก็จะได้รู้ว่าไม่ง่ายหรอกที่เราจะมาศึกษาคำสอนเพื่อจะตามพระธรรมคาสอนของพระเจ้าให้ถูกต้องฉั้นถ้าหากจะพัรณานาคุณอย่างนี้เป็นไปตามลาดับนะ แค่ตรงเนี้สมมุติจะจะสาธยายหนึ่งอิติปิโสภะขวาอะแล้วไล่ไปตามลําดับไปจนถึงนู้นแหละจบพุทธคุณเก้าถ้าไล่ให้จบเนี่ยพวกเราก็ทนฟังไม่ไหวถ้าจะมาสาธยายไปตามลําดับนี่นียไม่ไหวหรอกแต่ถ้ามาสาธยายได้เนะแต่เชื่ถ้าจะมาหลับตาสาธยายได้แล้วเดี๋ยวเรหายเกลี้ยง ขาออกมาก็เหลือคนเดียวเลยเดี๋ยวนี้น้าเข้าน้าเข้าไม่มีรถจะกลับวัดเลยยุ่งใช่ไหมใช่นั่นเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นในกรณีที่เราท่านทั้งหลายว่าถามว่ามาม า, มาสารเสรินในคุณของพระบรมศาสดาที่บอกว่าในคำว่าปีเนี่ยมายจากคำบอกว่าปีโยเดยวามนุสานัานางปีโยพระมานมุตตามโม ปิโยนาคาสุ ป, ปันน า, นางปินินตรียังนามามิหังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้เป็นที่รักอันสูงสุดของพรหมทั้งหลายผู้เป็นที่รักอันสูงสุดของนาคและครุฑทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีอินเซียนบริบูรณ์แล้ว พระบรมศาสดามีจักขุณสีโสตินสคาณินสีจิวหินสีกายินสีและมณีสีที่สํารวมแล้วและมีสัตทินสีวิริยินสสติินสีสมาตินสีแล้วก็ปัญญินสีเนี่ยบริบูรณ์แล้วอย่างเราท่านทั้งหลายนี่อินทรีย์ไม่บริบูรณ์นะเขาเรียกว่าอินทรีย์อ่อนศรัทธาก็อ่อนวิริยะสติสมาธิปัญญาก็อ่อนปัญญาอ่อนไหมไม่อ่อนหมดเลยอะ จริงๆถ้าศรัทธาอ่อนนี่ยอมรับได้ใช่ไหมถ้าปัญญาอ่อนยอมรับได้ไหมปัญญาอ่อนก็คือไม่มีมรรคปัญญาใช่ไหมไม่มีปัญญาที่ในมรรคจิตนี่เขาเรียกปัญญาอ่อนฉะนั้นถ้าใครเรียกเราว่าปัญญาอ่อนอย่าโกรธรับใช่ไหมอัตถะเราเข้าใจบอกเรารู้เอาถ้ามีใครมาด่าเราแรงๆเลยแล้ ว, ว่าปัญญาอ่อนดา่า่างนี้เราโกรธไหมโกรธไม่โกรธไม่โกรธเราเข้าใจอดัดถะใช่ไหม อัตถาก็คือเราไม่ไม่ได้มรรคบัญญาตัตรงนี้ก็คือความอ่อนของอินทรีย์ทั้งหลายนี่แหละถามว่าอินทรีย์ทั้งหลายไม่แข็งแรงเพราะเพราะขาดปัจจัยปัจจัยของอินทรีย์ทั้งหลายคืออะไรโยนิโสมนสิการใช่ไมทำไมไม่มีโยนิโสมนสิการเพราะไม่มีศรัทธาทำไมไม่มีศรัทธาเพราะไม่ฟังธรรม อาแล้วก็ฟังทำแล้วทำไมศรัทธาไม่เกิดเพราะไม่คิดอ้าวทำไมถึงไม่คิดเพราทำไมไม่คิดเพราะไม่มีอะไรไม่มีวิริยะไม่มีไม่มีความเพียรใช่ไหมเพราะว่าศรัทธาไอวิริยะเนี่ยเขาเป็นปฏิปักต่อตออะไรวิริยะเป็นปฏิปกักิ์ตออะไ ร, รอ่ะโกศชาคือความเกียดค้านเราขี้เกียจคิดเราขี้เกียจคิดในคำคำสอน แต่เราขยันคิดเข้าหากรรมะคุณไหมเอาแต่คิดเรื่องโลภเสียงกิเรสสัมผัสเนี่ยคิดได้ทั้งวันไหมโอ้โหคิดสนุกสนานมากบางคนนี่ถ้าคิดเรื่องทรัพย์ใช่ไหมคิดเรื่องวัตถุกรรมเนี่ยโอ้คิดได้เยอะถ้าเราโกรธคนอื่นเราคิดได้มากไหมคิดละเอียดละอเลยใช่ไหมเข้ามาปรุงแต่งคิดแล้วสามารถคํานวณได้ด้วยบางทีมองหน้ารู้เลยคนคนนี้ต้องคิดไม่ดีกับเราแน่ไปใหญ่เลยตัเนี้ย เห็ไหมความขยันคิดที่เป็นมิจฉาวยายามะก็เราแรงมากแต่สัมมาวยมายามะนี่ไม่ค่อยดีแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสติมุทตะสตินี่คือการหลงสติคือคําว่าหลงเนี่ยในที่นั้นเป็นชื่อของอกุศลคือเราคิดเก่งมากถ้าคิดด้านอากุศลเนี่ยชำนาญมากระ ล, ลึกได้ตามลึกได้นี่ทำอะไรต่างๆจําได้หมดแหละเช่นคนนี้เคยด่าเรา คนนี้เคยทําอะไรไม่ดีกับเราเนี่ยคิดได้ละเอียดแล้วออกมาแล้วจาแม่นเลยใช่ไหมแต่ถ้าคิดที่เป็นไปกุศลคิดไม่ค่อยออกเช่นกรณีที่ฟังพระธรรมคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยนะเราฟังใบตามลําดับกลับไปบ้านก็ถามว่าวันนี้พ่อฟังอะไรมานึกไม่ออกมันจะคิดไม่ค่อยออกเหรอใช่ไหมมุตทัศสตินี่แรงมากกายหลงลืมสติ งั้นอย่าแปลกใจเวลาเราฟังคําสอนของผู้ได้เจ้าหรือศึกษาพระธรรมคําสอนเนี่ยหลงหลงลืมลืมแต่ในตรงกลางๆนะถ้าเรื่องของวัตถุกรรมเนี่โอ้โหชํานาญมาคิดได้คล่องเลยคิดประประวชํานาญมากคือเราไม่ถนัดในการใช้สัมมาทิฏฐิสัมมาวายมะสมาสติเลยไม่ถนัดในการวิจัยเลยที่ว่าธรรมวิจยตสัมโพชงก็ ค, ค้นหาอริยสัจน่ะ หรือไม่สามารถจะวิจัยขันธ์ธาตุอายตนาเห็นในความเป็นอริยสัตว์ได้ใช่ไหมอย่างเช่นว่าเราจะคิดออกคิดถึงตาหูจมูกเล่นกายใจเราไม่เคยเห็นเป็นทุกข์สัตว์นะไม่เคยเข้าใจหรือว่า น, นี้เป็นที่ตั้งของชาติทุกข์ไม่เคยเข้าใจและชราทุกมันเบียดเบียนทุกทุกขณะเลยแล้วตอนนี้ชราทุกมันไม่เคยหยุดตัวมันเลยเนี่ยในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหัวใจไตตับเนี่ยชราเนี่ยมันเข้าคืบคาแล้วก็เดินอยู่ตลอดเวลา แม้ปัจจุบันกําลังนั่งอยู่ชรามรณะมันไม่เคยหยุดตัวเลยเราไม่เคยเห็นชราธรรมมรณะธรรมในกระแสของขันาธาตุอายตนะเลยในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นเนี่ยทั้งๆ ท, ที่มีชราธรรมและมรณะธรรมทุกๆขนาจิตแต่เราไม่เคยเข้าใจตามว่าธรรมคำสอนพระเจ้าแล้วมองผ่านหมดเลยใช่ไหมนี้บง่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงการวิจัยที่ทำมาวิจัยของเรามันน้อย ความเพียรในการที่เข้าถึงการที่จะเข้าเจาะทะลุทะลวงเข้าไป่เพียรเพื่อจะล้าความเห็นผิดเข้าถึงความเห็นที่ถูกก็ไม่มีสติที่จะตามรละลึกเพ่จะวิจัยก็ไม่ค่อยชัดใช่ไหมน่ะเข้าน่ะเข้ามันก็เลยอยู่แบบนี้ถ้าแบบธรรมดาเนี่ยพอได้ถ้าจะให้คิดคำสอนขึ้นมาโอ้โหมันทั้งหงุดหงิดมันทั้งฟุ้งขึ้นมาเลยใช่ไอันนี้อยแปลกเพราะวิธีคิดแบบนี้ยังไม่เคยสั่งสมในปัจจุบันภ ทั้งๆ ท, ที่เราเคยคิดได้คิดคล่องมาแล้วนีบางภพ บ, บางชาติเนี่ยแต่มาปัจจุบันใภพนี้ความคิดของเรานั้นน่ะมันถูกทับถมมาด้วยภพชาติแล้วก็ชํานาญในเรื่องความคิดอีกอย่างมันก็เลยกลับไปคิดให้เหมือนเดิมไ ม, ไ, ดไม่ค่อยได้เราไม่แต่เราไม่ยังไม่สามารถคิดทะลุทะลวงจนสามารถละกิเลสได้เป็นต้น ส่วนคำว่าโสมาจากคำว่าโสกาวิรตจิตโตโยโสพนโนสเทวเกโสกาปเตบโมทันโตโสพวันหังนมมามะมีหังบอกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้มีจิตปราศจากความเศร้าโศผู้งามในโลกทั้งเทวโลกยังสัตว์ทั้งหลายผู้ถึงแล้วซึ่งความโศให้บันเทิงอยู่ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพราะองค์นั้นโดยเสียงกล่าวตรงนั้ น, ต ร, น, นตรงนี้ถ้าหากมาพารณนาคุณของพระพุทธเจ้านะคุณของพระพุทธเจ้าที่ท่านกล่าวไว้ว่าอ e ิติปิโสเป็นต้นจะไม่สาธยายในรายละเอียดไปนะแต่ต้องการจะให้เราท่านทั้งหลายได้ตามเห็นคุณของพระบรมศาสดาบอกว่าในสประการแบบย่อคือพระมาหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระพุทธคุณนี้เป็นรากเง้าเป็นข้ามูลแห่งการบังเกิดขึ้นของพุทธคุณทั้งปวงเนาะ พื่อคุนี้ประเสริฐเลิศอย่างยิ่งทำเวเนยสัตว์ในพระบรรมศาสดาตัทลูเนตราสัมมาสมัาสมโพธิญาณใช่ไหมสร้างบําเพ็ญบา ร, รมีมายี่สิประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนกับในคัมภี์ที่ยังไม่ได้พยายามเจาะเข้าไปเนี่ยนะในคัมพี์ที่เราบรรยายกันในคัมภีชั้นของสัมปะหลวิบากเนี่ยที่เรายังไม่ได้พยายามเจาะเข้าไปในเรื่องกับบรรยายผ่านมาแล้วเนี่ยตามลําดับเนี่ยทีนี้ถ้าเรามามองเห็นถึงว่าแท้ที่จริงก็คือคุณของพุทธเจ้าก็คือพระ มหากรุณาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณแล้วข้าพเ้าพัญญาคุณในคุณทั้งสามประการนี้เป็นรากเป็นรากเงา้าและเป็นข้ามูลให้บังเกิดพุทธคุณทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นพุทธคุณก้าเป็นต้นหรือว่าพุทธญาณสิบสี่เวนิก 18, ธรธรรมสบปทศพลยานสิบแล้วก็อาสาธารณญยานหเป็นต้นเหล่านี้นะหรือว่าเวสารัชยานสี่พระคุณต่างๆของพระบรมศา ส, สดาที่มากมายนั้นก็อาศัยเกิดมาจากราก คุณลากเง้าของคุณต่างๆเหล่านี้นี่แหละทาให้เวนยศัสตร์ตลอด 2,500 กว่าปีที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาเนี่ยนะตราบถึงการณปัจจุบันได้มีโอกาสศึกษาว่าทำประพฤติปฏิบัติธรรมและได้ตรัสรู้ตามพระผู้มีภาคเจ้ารักษาชีวิตของตนให้ดํารงอยู่ในกุศลและมีโอกาสยกระดับจิตใจและสติปัญญาสูงยิ่งขึ้นสามารถที่จะลดระดับของชาติที่ทุกข์ชราทุกมรณะทุกได้ตามจํานวนของแต่ละบุคบุคคลเนี่ยนะ ทีนี้ในคำสอนโดยเฉพาะในคำพีต่างๆท่านแต่งแสดงการนอบน้อมคุณของพระบรมศา ส, สดาไว้โดยเฉพาะพระสุมังคราจาย์เป็นต้นที่ท่านแต่งไว้ท่านบอกว่าวิสุทธาารุญายานัางพุทธังสัมพุทธปูชิตังธํามังธรรมสัมภูตัง นาตวะสังฆเนรังคณะังบอกข้าพระเจ้าข อ, อนมัสการพระพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาที่คุณเนี่ยนไคือปัญญาคุณของพระบรมศาสดานี่พระพุทธเจ้ามีปัญญานะเพราะในบารมีธรรมของพระพุทธเจ้ามีบารมีอยู่ข้อใช่ไหมเขาเรียกพระปัญญาบารมีแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือพระบริสุทธิ์ที่คุณ บริสุทธิ์นั้นแปลว่าในกระแสะขันท่าไดยตนาของพุทธเจ้านั้นไม่มีราคาโทสะโมหะมานาทิฐิวิจิกิจฉาหิริกาโนเทปะอุทะจะแล้วเอออย่างกระแสะขันของเราที่มันรกชัดไปด้วยมิจฉาทิฐิใช่ไหมตัวมิจฉาทิฐิเนี่ยบางทีท่านเรียกว่ารกชัดคือทิฐิใช่ไหมแล้วก็เหวคือทิฐิกันดานคือทิฐิเราเคยเข้าใจคําว่ากันดารไหม อาที่กันดานคืออะไรอย่างเช่นที่มันแห้งแรงที่สุดเขาเรียกกันดานใช่ไหมบางทีมันก็ที่ที่โจนชุกชุมมากเขาเรียกโจรักกันดานนะที่มันมีเสือมีสัตว์ร้ายต่างๆมากเขาก็เรียกว่ากันดานเหมือนกันหรือมีการป้นสะดมกันต่างๆในนาประการเนี่ยในประเทศต่างๆที่ไม่มีกฎหมายรองรับอยู่แล้วเนี่ยกฎหมายไม่สามารถจะใช้ได้แล้วก็เป็นความกันดานอย่างนี้ฉะนั้นในบรรดากันดานเหล่านั้นทิศทีนั้นกันดานยิ่งกว่าสิ่งเหล่านั้น แท น, นทิติยังฝังแน่นในกระแสะขันธาไดยตนะฝังแน่นในจิตใจของท่านผุ้ใดยอยู่มิจฉาทิฏฐิเนี่ย น, นะความกำกันดานก็เกิดเหวก็คือเกิดก็แปลว่าเราปีนออกจากมิจฉาทิฏฐินี้ไม่ได้ไอ้รคชัดคือตอกล่าคือทิฏฐิที่มันฝังแน่นในจิตใจเนี่ยเราไม่สามารถจะถอดไม่สามารถที่จะถางออกมาไนดะ้ต้องใช้อะไรวิปัสนาสมาธิในการที่จะถางตอของมิจฉาทิฏฐิ ในในชั้นของพระอธ า, ธาจารย์ทั้งหลายท่านจึงอุปมาเขาไว้บอกว่าวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิท่านอุปมาเหมือนกับชาวนาและชาวไร่ที่ใช้มีดหรือใช้ของมีคมทั้งหลายในการที่ตัดป่าทำลายป่าถางไปเถอะถางไปเสร็จแล้วก็มากองไว้ก็ไฟเผาแต่ในชีวิตของเราท่านทั้งหลายความเห็นผิดเนี่ยเราเคยใช้มีดคือปัญญาใช้ความเพียนคือวิริยะเนี่ยนะ และสติคือการที่เข้าไปลึกได้อุปมาเหมือนกับมีดเนี่ยเห ม, มือนกับคนจับมีดใช้ความเพียรในการที่จะตามในการที่จะถากความเห็นที่มันผิดออกถากมิจฉาทิฏฐิความเห็นที่มันฝังแน่นในกมลและสันดานของเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราได้ถากได้ถางออกบ้างไหมเช่นในขณะที่ฟังธรรมแล้วก็ไข้ควรพิจารณาแล้วก็เพืละอัตตาใช่ไหมหนึ่งทำสัจทินรียให้เกิด เมื่อศรัทธาตั้งมั่นในคุณของพระรัต น, นตรัยฟังแล้วเกิดความเข้าใจมีความดืบ ด, ดบดับด่ำในพระธรรมพระเทศนาของของคำสอนของพระพุทธเจ้ามีปลาโมดปีติปสัสสติมีความสุขนะ่าเข้ากระทําปัญญาใอีกวดขึ้นแล้วก็ความเพียรในการที่เข้าไปละความเห็นที่ผิดสติก็ตามที่จะระลึกเพื่อจะละมิจฉาทิติแล้วก็ใช้สมาธิติสมาวิมารสม า, ส, มาสติก็แวดล้อมสมาธิติขยายวงของสมาธิติให้กว้างขึ้น วิจัยสิ่งต่างๆแล้วก็ทําสมาธิิให้มีความชัดขึ้นหนึ่งเข้าใจในเรื่องของกรรมชัดขึ้นผลของกรรมชัดขึ้นแล้วก็เข้าใจในเรื่องของกระแสขันท่าได้ยตนาเป็นผู้ทํากรรมชัดขึ้นแล้วก็ไม่มีความลุ่มหลงว่า น, นี้เป็นปรมัตารอันนี้เป็นบัญญัติมีความเข้าใจในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ทําความเข้าใจนั้นอย่างต่อเนื่องอย่างยาวนานไม่ลดละทําความเข้าใจสม่ําเสมอไม่เคยหยุดหย่อนในการที่จะทําความเข้าใจเลย ถ้าเป็นไปในลักษณะนี้ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเ ร, เริ่มเดินได้คล่องแล้วอาศัยจากปถาขตาโพธิสัานี่แหละก็ตั้งสมาธิฏิได้ชัดเจนขึ้นถามว่าทำหรือไม่ถ้าทำนั่นแสดงว่าไม่อยู่แค่สุตะกินตาเมยะปัญญาเริ่มชัดเมื่อกระทบบ่อยๆเป็นภาวนาปัญญาก็เริ่มชัดปรากฏชัดในใจมากขึ้นมากขึ้นนี่ไงคนที่เขาฟังธทำแล้วเขาบรรลุได้มันเป็นอย่างนี้ พอฟังแล้วเนี่ยเขาไม่ได้แค่ฟังนะเขาเอาไปคิดการตรึกการไข่ควรการไตรตรองบ่อยๆมันกลายเป็นภาวนาเกิดขึ้นแล้วมันชัดขึ้นในความรู้สึกเขาจะใช่ไหมพอชัดขึ้นนี่แหละมันจะละความเห็นผิดก็ถูกละไปความเห็นถูกก็เริ่มมีกําลังมากขึ้นความเห็นผิดก็ถูกถ่ายถอนไปความเห็นถูกก็มากขึ้นมากขึ้นอันนั้นเขาเรียกว่าปัญญามันเกิดแล้วนี่เขาเรียกว่าพระปัญญาคุณพระปัญญาคุณนั่นแหละจะเป็นปัจจัยแก่พระบริสุทธิ์ที่คุณอยู่ไหม พระเจ้ามีพระบริสุทธิ์ที่คุณคือกระแสขันธ า, านตุแลยานนาของพระเจา้าในบริสุทธิ์หมดจดมากทั้งกิเลสด้วยแล้วก็ลาวาสนาดังที่ได้กล่าวมาหลายๆครั้งแล้วก็พระมหากรุณาธิคุณพระธรรมอันพระพุทธเจา้าทุกพระองค์ทรงบูชาแล้วพระเจ้าไม่บูชาอะไรนะบูชาธรรมนะพระเจ้าบูชามรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งแล้วก็บูชาคําสอนคําสอนที่เป็นไปในส่วนของพระปริยัติในพระเจ้าบูชาพระสัทธรรมสิประการนี่นะพระเจ้าบูชานะ บางคนไปเห็นอุ้ยคําสอนเนี่ยไม่ใช่ปฏิบัติคําสอนเป็นธรรมมังตะระนังกระฉามีไหมเป็นนะเช่นเราปนมมือเราก็บอกดำมังตระนังกระฉามีใช่ไหมเรานึกถึงอะไรนึกถึงมัคสีผลสีนิพานหนึ่งแล้วก็นึกถึงพระวินัยยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระพิธรรมปิฎกไหมนึกถึงพระปริยติธรรมเหล่าเนี้ยฉะนั้น ทินซีทั้งหลายที่ไปตั้งมั่นในพระสัตธรรมนั่นแหละคือว่ามีพระธรรมเป็นสารณะเนี่ยมีพระธรรมเป็นสารณะทีนี้ถามว่าถ้าไม่มีการเปล่งการกล่าวคําสอนออกมาเนี่ยถ้าไม่มีปริยัตยยิจะกล่าวยังไงใช่ไหมเพราะอาศัยพระปริยัตินั่นแหละก็มีการบอกการกล่าวกันออกมาในลักษณะอย่างนี้เขาจะบอกพระธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงบูชาแล้วพระสง์ ผู้เกิดดีแล้วแต่พระสัตยธรรมถามบอกว่าพระสงฆ์เนี่ยมีอะไรเนรมิตขึ้นพระธรรมนั่นแหละเนรมิตใช่ไหมพระถามว่าพระมหากัสปะพระโกนธั ญ, ญาวะป่าพัติยามหานามอาอัศเิวีมาลาสุภาหูปุนาชีขวามปติอะไรๆไปตามเดียวๆพระสาวกของพระพุทธเจา้าตามลําดับนี้นีน่พระโมฆราชนะภาษาลิบุตรพุทธเดถามว่าอะไรเนรมิตท่านเหล่านี้ พระธรรมเนระมิตใช่ไหมพระธรรมเนระมิตให้เป็นพระโสดาบันอย่างเรานี่พระธรรมเนระมิตรหรือยังเนระมิตรหรือยังพวกเราเป็นปุถุชนหรือเป็นภาริายบุคคลเขาเรียกปุถุชนภูมิใช่ไหมเขาเรียกโลกิยาชนนี่นโลกิยาชนหรือเรียกถ้าเรียกเป็นโคตเขาเรียกปุถุชนโคตหรือโคตปุถุชนนะเรายังไม่สามารถข้ามโคตของปุถุชนได้ ยังไม่สามารถจะข้ามโคตรปุถุชนได้เพราะเรายังไม่มีโคตรตะระภูยานใช่ไหมยานที่สามารถข้ามโคตปุถุชนเข้าถึงอริยะโคตได้ฉะนั้นเรายังไม่สามารถที่จะละภูเหมือนปุถุชนเขาเรียกว่าของเราถ้าในชั้นของภูมิก็คืออยู่ในปุถุชนภูมิไม่ใช่อริยะภูมิแล้วบุคคลก็เรียกปุถุชนบุคคลไม่ใช่อริยะบุคคลถ้าว่าโดยชาติเนี่ยนะ เราอยู่ในชั้นของการหาชาติไม่ใช่อริยะชาติกันหานี่แปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าชาติยังต่ําอยู่ใช่ไหมเพราะไม่ใช่อริยะไม่ใช่บเสิฐใช่ไหมเอายังอยู่ในชาติเหล่านี้เรายังไม่สามารถจะถอนขจัดชาติเหล่านี้ออกได้เลยทีนี้ความเป็นปุรุชนของเราความเป็นกันหาชาติ ความเป็นปุถุชนทีนี้ถามตอนนี้พระธรรมเนลมิตรเราหรือยังปุถุชนก็แยกเป็นสองอันท้าปุถุชนกับกายาณะปุถุชนถ้าอันท้าปุถุชนแปลว่าปุถุชนผู้มืดบอดใช่ไหมผู้มีการมราคะหนาแน่นมีปฏิฆาหนาแน่นมีถีนมิทาหนาแน่นหนาแน่นขนาดฟังพระธรรมก็หลับเนี่ยหนาแน่นไหม แต่อย่างพวกเราที่มาอยู่นี้ไม่มีใครหลับสักคนเลยโอ้ไปดูแล้วน่าชื่นใจจริงๆใช่ั้ยอย่างนี้ความเป็นความเป็นอันธพุรุชนเริ่มน้อยแล้วนี่พระธรรมเริ่มในลมิตรแล้วนะใช่ไหมมีโทสะหนาแน่นหนาแน่นอยู่ไหมถ้ามีคนถ้ามีคนกล่าวชมเนี่ยยังดีใจอยู่ไหมถ้ามีคนดา่า ถ้ามีคนด่าโกรธไหมถ้าเขาด่าเบาๆโกรธไหมเหมือนว่เขามากระซิบที่หูแล้วก็ด่าเขาบอกก็ด่าไม่ให้คนอื่นได้ยินให้เราได้ยินคนเดียวกโกรธไหมเราก็นึกว่าเขาจะบอกอะไรจะไหมยก็ามากระซิบกระซิบแล้วก็กระซิบด่าโกรธไหมถ้าถ้าถ้าเป็นอันพธพาลทุชนนี่โอ้นิดเดียวก็โกรธแล้วไม่ให้อภัยด้วย นั่นเพราะว่าหนาแน่เองกามราคาปฏิฆะถี่นั่นไม่ท้อุตจาวกุกุจาวิจิกิจาากหนาแน่นคือหนาแน่นหนาแน่นขนาดไหนมิจฉาที่ทีหนาแน่นก็คือว่าสังเกตอย่างนี้ว่าเกลียดเกลียดพระธรรมของพระบรมศ า, าสดามั้ยปรารถนาเห็นพระริยามหมเอางี้ระหว่างมองพระรูปของพุทธเจ้าก็มองหน้าโลกกันในชื่นใจเหมืกัน เอาแค่นี้อ่อระหว่างใช้เวลามองพระรูปของพระพุทธเจ้ากับมองลูกอันไหนนานกว่ากันมองพระเจ้านานกว่าเนาะโค่น่าชื่นใจเดี๋ยวใครอยู่ใกล้ๆช่วยแอบดูเลียวจริงอย่างไงี้ยรือเปล่าไม่รู้รวันวันหนึ่งแสดงพวกเราได้อยู่ในห้องพระตลอดเลยเนาะไปไหนก็ฟังพระธรรมดีเดี๋ยวนี้เขามีระบบฟังเยอะแยะหมดใช่ไหม บางคนเนี่ฟังไม่ได้เลยก็ฟังแล้วรู้สึกโอ้ลำคาญดังนั้นถ้ามิจฉาทิฏฐิหนานนเนี่ยสังเกตว่าไม่ปรารถนาเห็นภาริยะไม่ปรารถนาฟังธรรมของภาริยะไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาไม่ฉลาดในธรรมของภาริยะไม่เห็นธรรมของภาริยะแล้วก็ปฏิบัติผิดไม่ปฏิบัติชอบอันนี้คือหนา คือปฏิบัติก็ผิดไม่ปฏิบัติชอบก็คือไม่มีสมาธิติสมาสักปาสมาวิยาเป็นต้นมันก็ยังมีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสักปาเป็นต้นตรง น, นี้ก็สังเกตได้ไม่ยากเราแต่และบุคคลก็ลองไปคิดดูนะว่าเราเนี่ยเออเป็นอันธบุรุษชนหรือกัลยาณบุรุษชนถ้าหากเป็นกัลยาณบุรุษชนแปลว่าพระธรรมนั้นเนรมิตแล้วนี่เห็นไหมเนรมิตแล้วแล้วต่อไปจะพัฒนาจากกัลยาณบุรุษชนจะเป็นอรารยบุคคลได้ให้ก็พิจารณาอยู่นะคิดว่าได้ไหมชาตินี้ เอาได้ไหมตั้งเข็มทิดด้วยเพราว่าชาตินี้จะบรรลุเป็นพระโสดาบันให้ได้คิดไหมฮะคุยไปคิดยากเลยก็ขนาดคิดว่ายากแล้วเนี่ยแล้วแล้วจะทำยังไงเอางี้ถ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าจะเป็นพุทธเจ้ายากแล้วจะมีพุทธเจ้ามาตรัสรู้ไหมถ้าไม่มีพุทธเจ้าตรัสรู้เราจะได้มีโอกาสมาฟังทำอย่างนี้ไหม เอาแล้วตอนนั้นยี่สิบประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากราบทําไมพระองค์กล้าคิดล่ะแล้วความคิดของพระองค์คิดยังไงบอกว่าเราจะต้องตัดสิ้นในวันพรุ่งนี้ทําไมท่านกล้าคิดอย่างเนี้นี่เมื่อกี้บอกว่ายากคิดใหม่เ <c oughs> จอมะการคิดอย่างเนี้ยพอคิดแล้วมันท้อแล้วเนี่ย <c oughs> เรารู้ได้งไง ใช่ไหมเราได้เพียรเต็มที่หรื อ, อยังเราได้เพียรถึงขนาดว่าเนื้อเลือดใช่ไหมเนื้อและเลือดจงหายไปเถอะจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกและตามทีถ้าไม่บรรลุสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องแล้วจกไม่เลิกความเพียรทำไมไม่ตั้งบังอ่ะถ้ามันตั้งได้ตั้งทุกวันยังได้เลยใช่ไม่ใช่ทําไมไม่ตั้ง ใครห้ามหรือตั้หาห้ามก็ไว้ตั้หาห้ามใช่ไหมห้ามวิธีคิดแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นปั๊บมิจฉาทิฏฐิบอกอย่าไปคิดเออย่าไปคิ ด, คดตั้งสิใช่ไหมเราตั้งทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนี่เราไม่ยอมตั้งไม่กล้าคิดเลยคนไม่กล้าคิดพ้นทุกข์ไม่ได้ใช่ไหมถามว่าคนที่จะทํา มาถูกคาดปีถูกคาดเนี่ยเขาไม่ใช่เครื่องคิดวันเดียวนะ เ, นเขาก็เริ่มจากเล็กๆน้อยๆ น, นี่แหละเริ่มจากเครียดยึยงกลับแล้วก็ตบยุงไปนี่แหละก็พัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะเขาก็โตขึ้นโตขึ้นนะเขาไม่เอายุงแล้วนะเขาเอาใหญ่ก็ยุงก็เอานะเขาเนะเขากโกรธคนอื่นได้นะเขางุดงยิดได้ทุกอย่างอ่ะเขาเน่ะเขาก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้ยินไหม มันเกิดจากการคิดเล็กๆน้อยนี่แหละอย่าไปดูถูกกุศลเล็กๆในน้อยเว่าจะไม่มีไลองไปดูในเสนเลกธรรมในเสนเลกสูตรทีในมัชชิมะนิกายมูระบานาธไปเปิดดูเล่มที่สิฉบับมาหาจุราเอมหามงคลนะ่ยไปเปิดดูในทั้งทั้งบาลีราชกถาแล้วไปอ่านดูที่ท่านบอกปริมาณของกุศลเนี่ยใช่หไหมสัมมาทิฏฐิปริมาณที่เกิดคิดยังไม่ได้ออกมาทางกายแลือวาจามไม่ใช่ไม่มีผลมีผลมาก ถามพระอาหารตาจเจ้าทั้งหลายท่านบรรลุทั้งมโนทวารกันนะใช่ไหมบรรลุเพราะความคิดนี่แหละฉะนั้นอย่าไปดูถูกอย่าหมิ่นความคิดเด็ดขาดความคิดถ้าเป็นสมาธิฐิ่แล้วเป็นปัจจัยกับการแทงตลอดอนุปาทานปรินิพานได้คิดทุกวันดูที่เราจะต้องบรรลุให้ได้จะต้องบรรลุให้ได้จะต้องสิ้นทุกข์ให้ได้จะต้องได้อนุปาทานปรินิพานให้ได้ต้องคิดเรื่อยๆแบบนี้แล้วเข้าใจให้ถูกด้วยไม่ใช่ว่าวันนี้ต้องหันบรรลุให้ได้ก็นอนหลับ อันนี้ไม่ไม่ทำกิจอะไรแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พราะคิดปริมาณคิดมากขึ้นมาตรึกมากขึ้นแล้วก็มีกําลังน่ะเข้าน่ะเข้านี่นะน่ะเข้าฟังทำฟังทำหรือทีเนี้ยศึกษาว่าทำฟังทำรต่เนี่ยเดี๋ยวกันแล้วอย่าไปเกงใจกิเลสมากถ้ากิเลสมาบอกอุย้ยทําไมฟังขนาดนั้นเล่าแรงต่างบอกว่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งใช่ไหมเพราะคนจะบรรลุมามาขวางอะไรใช่ไหมา นี่เราถ้าเราเราเดินไปเนี่ยในี่จริงที่พูดที่จริงนะมันเกิดยากความตั้งใจที่ถูกฉะนั้นการที่เราถามว่าพระพุทธเจ้าบอกเธอทั้งหลายปล่อยศรัทธามาเนี่แหละมาการต่อไปก็คือว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมบังคมพระสามมาสมุทรเจา้าเป็นต้นก็ตรงนี้มาจากคาว่าววสุทาการุญญาณังเวเนีนยหิตาเทสนัง จัดดำมังสังคังสำบูธทางวันทิตวาวันธนารหังข้าพระเจ้าขอถวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมาหากรุณาที่คุณผู้มีพระธรรมเทศนานเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เวนยาสัตว์ผู้สมควรแก่การถวายบังคมพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์เหล่านั้นเนาะ ตรงนี้พระหมหากรุณาธิคุณของพระบรมศาสดาเนี่ยถ้ามาพิจารณาดูก็มาจากคำว่าพระคุณของพระพุทธเจ้านั้นถึงจะมีอยู่มากมายไม่มีใครในโลกที่จะสามารถพราวนาและพร่ำภาวนาใหสิ้นสุดลงได้ก็จริงแต่อาศัยคำว่าพระควาโตหรือคำว่าพระควาในบทนมสกัน ถ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มุ่งถึงพระมหากรุณาที่คุณเพียงบทเดียวนะคำนี้นะมุ่งถึงพระมหากรุณาที่คุณเพียงบทเดียวเท่านั้นก็เท่ากับว่าผู้สาธยายได้กล่าวการนอบน้อมพระคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหมดแล้วเพราะพระพุทธคุณที่เหลือมีพระมหากรุณาที่คุณเป็นมูลหมดเลยก็ลองมาพิจารณาดูว่าถ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านเจ้าเจ้าทั้งหลายถ้าท่านไม่มีมหากรุณาที่คุณแล้วเนี่ย ต่อเราท่านทั้งหลายเนี่ยท่านก็บรุลุไปเห็นโดยชนิที่ไม่ต้องมาเหลี้ยวแล้วพวกเราพวกเราก็เจ็บปวดกันอยู่นี่แหละแล้วเราเนี่ยนะไม่สามารถจะคิดในการที่จะหาทางออกจากสังสารวัตรหรือสังสารทุกขเป็นต้นไนดะ้เพราะอาศัยพระมหากรุณาธิคุณของพุทธเจ้านั่นแหละเป็นมูลเป็นเข้ามูลและถือเอาแม้อาสาธนญาณที่เหลือเป็นไปร่วมกับมหากรุณาธิคุณ เนื่องจากพระมหากรุณาที่คุณเป็นพยานอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาอสาธนาัญญาณหกประการนะเออในพยานของพระพุทธเจ้าเนี่ยลองไล่ดูที ม, มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอาสยานุสยายานใช่ไหมแล้วก็ยมกกปาอิหารยยานอินทรียาปโรปริยติยานสามแล้วใช่ไแล้วก็ สัพพัญยตยานอนาวรณยาณเป็นห้าแล้วแล้วก็มหากรุณาสมาปัฏิยานฉะนั้นมหากรุณาสมาปัฏิยานในสารัตถีปณีท่านบอกว่ากรุณาขหาเนณะเจตะาอภริเมยับปภาวาสเพปิพุทธคุณาเป็นต้นบอกว่าก็ด้วยการถือเอาผ้ามหากรุณาเพิ่งเห็นว่าท่านอาจารย์ได้รวบรวมพระพุทธคุณทั้งหมด มีอนุภาพอันจะพึงนับประมาณไม่ได้เพราะเหตุว่าพระพุทธคุณที่เหลือมีพระมหากรุณาที่คุณเป็นเข้ามูลเป็นประทัดฐานอีกประการหนึ่งเราพระพุทธคุณทั้งหมดย่อมเป็นอันท่านอาจารย์ได้แสดงไว้แล้วโดยในนี้ทีเดียวบอกว่าการมีการถือเอาซึ่งอาสาธนัญญ า, นาที่เหลอือันเป็นไปร่วมกับพระมหากรุณาที่คุณนั้น เนื่องจากพระมหากรุณาเป็นยานอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาอาสาธนณญาณหกประการฉะนั้นการถือเอาในนี้นั่นแหละเป็นอุบายแสดงพุทธคุณโดยไม่มีส่วนเหลือเมื่อถือเอาเนื้อความโดยประการอื่นจะมีใครเล่าสามารถที่แสดงพุทธคุณของพระพุทธเจ้าไปตามบทโดยไม่มีเหลือได้เลยถามบอกว่าถ้าจะไปพรณนาคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยพรณนาไม่จบแต่ถ้าบอกว่า เอาพุทธคุณบอกว่าพระมาหากรุณาธิคุณยังไหมในคำพีท์ท่านถึงบอกว่าพุทธคุณแม้ทั้งหมดมีพระมาหากรุณาธิคุณเป็นรากเงาความพิสดารก็บอกว่าพระพุทธเจ้าผู้มีหาไทยอันพระมาหากรุณาธิคุณตักเตือนแล้วผู้มีอภินิหารอันกระทำแล้วเนี่ยนะได้ใครว่าเสียงสะท้อนกล้องไหมได้ยินชัดไหมข้างหลังชัดเนาะยายลืออาจจะมาหูอื้อลงไปเลยเสียงกล้องใช่ไหม อ๋อเสียงกล้องเพราะเขาบอกว่ามีลําโพงแค่สองตัวลําโพงหลังขาดเขาต่อไม่ทันเมื่อคืนเป็นโยมมาเล่าอีกบังนั่นข้างหลังก็ไม่ค่อยได้ยินไม่เป็นไรนะอันนี้เราเป็นวัดความตั้งใจถ้าใครสามารถฟังได้ทุกอัฏฐะและพยัญชนะได้นะทั้งๆ ท, ที่เสียงก็ไม่ค่อยชัดเนี่ยนะข้างหลังเนี่ยนะหรือเสียงสะท้อนถ้าใครฟังได้ชัดเจนเนี่ยสแสดงว่าสัตหินรีแข็งแรง mm. ใช่ไหม เมื่อกี้ยังคุยกับโยมผู้ชายอยู่ไหมบอกว่าเอ๊ะทำไมคําสอนของพระเจ้ทาทําไมไม่พยายามไปยุคให้มันง่ายๆอ่านสะดวกให้เข้าใจง่ายๆอ า, าตา ม, มาก็บอกว่าโน่นยต้นไม้ต้นมะม่วงสูงที่มีลูกเห็นไหมเราจะไปหักยอดมะม่วงลงมานะเดี๋ยวมะม่วงจะตายแต่เราจงทําบันไดเนาะตายขึ้นไปเพื่อจะเก็บมะม่วงดีกว่าคําสอนของพระเจ้าพัฒนาศิกขาสามพัฒนาปัญญาพัฒนาศรัทธาของเราให้แข็งแรง เพื่อจะได้เข้าถึงคําสอนพุทธเจ้าไหมเนี่ยถามว่าเขาติดได้ไงหลอดไฟสูงๆถ้าเราคิดธรรมดาโอ้โหหมดความสามารถเลยแต่มันจะต้องมีอุบายใช่ไหมเอออย่างนี้เป็นการคําสอนพระเจ้าไม่สูงนะถ้าสูงทําไมพระสาริบทบรรลุได้ทําไมพระโมคคัลลานา บ, บรรลุได้ทําไมพระมหากรสบบรรลุได้ทําไมพระอนุนบรรลุได้ใช่ไหมพระรหานตาเจ้าทั้งหลายหลายสิบหลา ย, ล, ายล้านโกดท่านก็บรรลุได้ เดี๋ยวนี้พระอริยะทั้งหลายเต็มห้องจักราวาลเยอะแยะหมดเหลือเรายัางไม่ได้บรรลุแสดงว่าเรายัางเพียร น, น้อยไปหรือเปล่าใั้ตั้งสัตทินรีใหม่ดีไหมใ้ถ้าตั้งอย่างนี้เราก็จะแข็งแรงขึ้นในเข้านะเข้าก็เลยเพียรพยายามใชม่ของยากสิเป็นสิ่งที่ดีเพราะสามารถจะทำให้เราพ้นทุกข์ได้แล้วก็ต้องมาพิจารณาดูว่าการจมอยู่กับตาหูจมูกเล่นกายใจเป็นความเจ็บปวดใช่ไห ทำยังไงเนาะเราจะสามารถข้ามพ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจไนดะตรงเนี้ยตรงเนี้ยพระบรมศาสดานั้นทรงมีอภินิหารกระทาแล้วคือหนึ่งมหากรุณาที่คุณตักเตือนแล้วพระองค์ก็กระทำอภินิหารอภินิหารคืออะไรคืออะไรเอา้าอภินิหารคืออะไรพระองค์ได้เหาะแล้วอย่างนี้หรือเปล่า อภินิหารคืออะไรฮะอะไรนะอะไรนะไม่มีใครบอกเลยโอบรรยายมาตั้งนานไม่รู้พีอะไรนะถามบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระมหากรุณาที่คุณตักเตือนแล้วตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์นะนะผู้มีพระอภินิหารอันกระทำแล้ว คือเกี่ยวในเรื่องของบารมีสิบของพระองค์เนี่ยที่บ่มเพาะมานั้นน่ะมนุษย์สัตว์ตังลิงกสัมปติเหตุสารและตุนางเป็นต้นเหรอไหมการที่จะได้ตรงนั้นบริบูรณ์เบ็ดเสร็จนั้นจะต้องบ่มเวลาบ่มบา ร, รมีเพื่อจะสร้างอัธยาศัยทั้งหกอะโรภาธทยาศัยอโทสัตย า, ายศั ย, าายอะโมหัตยาศัยเนคขมัตยาศัยแล้วก็ วิเวกัตทยาใสาใช่ไหมนิสระนัตทยาใสาเป็นตัวเหล่านี้อัทยาใยต่างๆเหล่านี้ถูกสร้างด้วยบารมีสิบอุป ป, ปารมีสิบและประมัมาภิรมีสิบนั้นอภพิธีการต่างๆที่พระองค์บ่มเพาะมาจนได้ความบริบูรณ์แห่งสโมโอทานทั้ง8อัฐาสโมโอทานทั้ง8ประการพอได้ได้ความบริบูรณ์ตรงนั้นเบ็ดเสร็จพระองค์ก็ได้รับพุทธบุญก่อนนั่นเลยเห็นไหมว่าการสร้างบารมีเดี๋ยวเราจะไปดามดูรายละเอียดในการที่พระองค์ทำเนี่ยนะ ในกรณีที่การกว่าจะทำมาเนี่ยลองคิดดูดิคิดในใจเท่าไหร่เจ็ดอสงไขเปล่งวาจาปราถนาเป็นวูฒเจ้าอีกเท่าไหร่เก้ารวมเป็นสิบกอสงไขย